อยู่ข้างนอกมากเลยอยู่ข้างนอกหลายว่ะโอ้ยมว่าโยมมาจากสมุทรสาครมามไหมโอ้พอมาทัำทำพิธีพอดีมาจากสมุทรสาครก็มีมาเลยว่าทางมหาสารคาม มีพิธีกรรมปฏิบัติธรรมตั้งอกตั้งใจฟังพูดสู่กันฟังไม่ใช่พูดให้เชื่อเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อพระไม่ให้เชื่อตหลับตาลาไม่ให้เชื่อได้ยินแต่ขาวเล่าลือมาไม่ให้เชื่อที่ทำตามตา ม, ตามกันมา เมื่อเวลาไม่ให้พระจะไปเชื่อใคร น, นี่ <c oughs> เห็นมาเป็นพระพระพูดเราก็จะเชื่อไป <c oughs> พระพุทธเจ้าให้ฟังอยู่ให้พิจารณาเหตุผล <c oughs> พระเทศพระสอนพระแน ะ, ะนำมีเหตุผลควรเชื่อจึงเชื่อ ไม่มีเหตุผลควรเชื่ออย่าไปเชื่อนี่ตำรับตำลาก็เหมือนกัน <c oughs> เขียนมากพเขียนตามความจิตเห็นของตนเองก็มีบางเล่มเขียนมาด้วยการประพฤติปฏิบัติได้ดูได้รู้ได้เห็น เต็มจิตเต็มใจของตนเองแล้วจึง อ, ออกมาพิมพ์ก็มีนี่สําหรับตาําราข่าวเล่าลือมานี่พิจารณาเหตุผลว่าสมควรเชื่อหรือไม่สมควรเชื่อถ้าเราไม่พิจารณาเหตุผลก็เชื่อไปก็หลงไปเคยเตือนเคยบอกเสียบให้ฟังว่าปีที่ผ่านมา พรรษาที่ผ่านมาเขาตามจับหลวงพ่อเนนนั่นนี่แหละเพราะความเชื่ อ, เ, อเหตุผลอะไรก็พิจารณาเอาคงจะลูกข่าวอยู่บ้างว่ า, าหลวงพ่อเนนมีจะตุปัจจัยเกะแยะหลายร่อยล้านหาที่มาที่ไปไม่ได้ก็ตามจับพระนู่น <c oughs> นี่แหละไม่ฟังเหตุฟังผลเสียก่อนไปก่อกวนพระไปทำให้พระลำบากอี่พระพุธปฏิบัติทำตามๆกันมาอย่างนี้มีเหตุผลหรือเปล่าอย่างนี้ทำตามๆกันมาโดยเฉพาะที่เห็นง่ายทำกันง่ายเข้าใจง่ายได้เห็นกันอยู่บ่อยๆก็คือพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา อะไรเริ่มต้นที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือจุดทูบจุดเทียนบูชาดอกไม้จุดทูบจุดเทียนนี่ทนี่หลวงพ่อก็พยายามเตือนจุดนี้ว่าเหตุผลไม่พอนะจุดทูบจุดเทียนอยากให้จุดจิตจุดใจ แสงเทียนส่องตาแสงปัญญาส่องใจแสงทูแสงเทียนมองไม่เห็นมรรคส่องไม่เห็นสวรรค์ส่องไม่เห็นพระนิพพานสิ่งที่ส่องเห็นมรรคเห็นสวรรค์เห็นพระนิพพานก็คือแสงปัญญาแสงปัญญาจะเกิดจะมีก็คือทำจิตให้นิง่งทำสมาธิ ศีล ส, สมาธิภาวนาทานศีลภาวนาศีล ส, สมาธิปัญญาทานศีลภาวนาหน้าที่ของญาติของโยมศีล ส, สมาธิปัญญาหน้าที่ของพระพระไม่มีของทานให้ทาเป็นทานแนะทาเป็นทานแนะการกระทําอย่างเราแนะนํากันแล้วเมื่อกี้นี้ให้ทํา เข้าใจไหมคำว่าให้ทำถ้าหากแนะนำทางโลกก็คือให้ให้ทำงานอยากได้ข้าวให้ทำนาอยากรับประทานผ ล, ละหมาหรากไม้ให้ปลูกต้นไม้หากหิวข้าวอยากก็ต้องรับประทานหากหิวข้าวนี่ถ้าบอกแล้วไม่ทำ ก็ไม่ได้ประโยชน์บอกแล้วไม่รับประทานก็แปลว่าไม่ทำอกทำสมาธิภาวนาบอกแล้วไม่ทำต้องตีความหมายคำว่าภาวนาทานศีลภาวนาทานเร า, า, า, า, าก็ทำอยู่ทุกวันไม่ได้ค่ะศีล บางศีลก็ได้รับศีลบางศีลก็ไม่ได้รับศีลบางศีลก็ได้เข้าวัดบางศีลก็ไม่ได้เข้าวัดนะ <c oughs> เพราะว่าการงานมันเยอะเ ร, อเรื่องนู่นเรื่องนี่ก็เลยไปรักษาศีลไม่ได้ก็เลยทําไม่ได้ได้แต่ทานยิ่งภาวนาไม่ค่อยได้ทํากันไม่สมบุรณแบบ ก็ไม่ถูกต้องคำว่าชาวพุทธคำว่าพุทธบริษัทพุทธบริษัทต้องให้ได้สามอย่างทานก็ได้ศีลก็มีสมาธิภาวนาก็มีนี่ให้เขา้าใกง่ายการภาวนาคือการทำบุญทำให้จิตมีความสุขก็คือบุญสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี นั่นแหละพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนบอกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าเงินทองไม่มีไม่ได้ว่านะ อ, อสุขอื่นยิ่งกว่าจิตสงบนั่นอย่างเราทําเมื่อกี้เป็นยังไงใครมีสติดีก็สงบก็สุขนั่นแหละปกติกจิตของคนเราไม่มีเครื่องผูกไปตามสัญญาอารมณ์ตามความปรุงความแต่งโดยเฉพาะอย่างกิ่งก็คือ ไปอยู่เมืองภูเงินนางมโนลาอยู่ที่เมืองภูเงินท้าวศีทนชอบนางมโนลาหาวิธีจะไปพบกับนางมโนลาจ้องต้องไปเรียนวิชาอาคมจากพระฤาษีนูน <c oughs> เรียนวิชาอาคมจากพระฤาษีแล้วเป่า คาถาเสกเป็น <c oughs> ลูกมะนาวให้พานำทางไปหานางมะโนลาลูกมะนาวก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นนกอินทรีย์ใหญออ่นกอินทรีย์ใหญ่พาท้าสรีธนไปเจอนางมะโนลานางมะโนราอยู่ที่ไหนอยู่ที่เมืองภูเงินมะโนคือใจอินทรีย์ก็ตาหูจมูกลิ้น กายใจนี่นี่แหละสิ่งที่จะไปถึงนางมโนลาตาสังรวมอินนรีทั้งหกสังรวมเมื่อเวลาเราสังรวมดีแล้วก็จะเห็นใจเห็นใจก็เห็นนางมโนลามโนคือใจใจของคนมั่นดุเมืองผูเงินนั่นทำมาหาเรี่ยงเค่เพื่ออะไรเพื่อมีเงิน <c oughs> นั่น เมื่อเวลามาแปลออกจากคำว่ามโนลาท่าสีทนก็ใช่ความอดทนถ้าหากเราไม่ใช่ความอดทนนั่งแพบเดี๋ยวก็หยุดแล้วนี่ต้องนั่งให้จิตสงบให้เห็นความทุกคนใดเห็นทุกคนนั่นเห็นธรรมคนใดเห็นธรรมคนนั่นเห็นพระพุทธเจ้า นี่ไม่ใช่ว่าเสียชีวิตแล้วจึงจะเห็นทุกนะไม่ใช่เสียชีวิตแล้วจึงจะเห็นสวรรค์จึงจะเห็นพระนิพพานเห็นสวรรค์เห็นพระนิพพานเห็นทุกเห็นความพ้นทุกก็ยังมีชีวิตอยู่นี่นี่ยึงอยากให้ปฏิบัติให้ถึงความทุก ไม่อยากให้ทำเยาะเยาะใจแฉทำเล่นเล่นหัวหัวเหมือนตุ๊กตาไม่ได้นะทำจริงเห็นจริงพ้นได้จริงนี่เพราะข้อปฏิบัติมีอยู่อย่างนี้ไม่มีพิธีกรรมมากอย่างพูดแท้วดทุกข์จุดเทียนไม่ใช่พิธีกรรมของพระพุทธเจ้า พิธีกรรมคพาพีพามคาพีของคนจีนข่านิยมจุดดอกไม้จุดธูปจุดเทียนเมื่อไม่นานมานนี่ลูกศิษย์ลูกหาว่าไฟไหม้ <c oughs> วัดอยู่ที่เยอรมันวัดใหญ่เสียด้วยร <c oughs> <c oughs> าคาพระประธานตั้งเป็นหกล้านเจ็ดล้าน <c oughs> นั่นแล้วก็ข่าวอยู่ที่อังกฤษก็มีไฟไหม้โบสถ นะ <c oughs> แต่ไปปรับโทษว่า ก, กับเด็กนู่นหาว่าเด็กเกเยอะไรต่ออะไรตั้งๆมีที่กั้นที่อะไรมีครบบริบูรณ์ทำไมจะเข้าไปได้ย <c oughs> ังได้เตือนอยู่เสมอทำอะไรคำนึงถึงความได้อย่าคำนึงถึงความเสียมันเสียเสียก่อนจึงได้มันไม่ถูกต้อง ถ้าเราไม่มีเอากายเอาวาจาเอาใจเอาสติปัญญาเป็นดอกไม้ทุกเทียนเอาตัวของเราเป็นขันห้าเอามือสิบนิว้วเป็นดอกไม้สติปัญญาเป็นทุบเป็นเทียนก็สบายอย่างแท่นพระประธานอย่างนี้เห็นไหมเรียบง่ายไหมไม่มีอะไรมาสแสลงจิตสแสลงใจบางแห่งในแท่นพระประธานมีตั้งแต่แก่กันมีตั้งแต่ดอกไม้ ถ้าใส่แกกันใส่ดอกไม้เข้าไปเราก็มันจิตใจมันไม่ราบลรื่นมันไม่เรียบร้อยจิตใจมันแปวมันแมงมันเน่นไปทางนุ่นนะจิตใจเน่นไปทางประดับประดานะพ <c oughs> ิธีกรรมของพระพุทธเจ้าไม่ให้ประดับประดาตกแต่งให้เกินพอดีดังเราเห็นอยู่นี้พอดีแล้วไม่ต้องไปหาของ เพิ่มเติมตกแต่งให้ลำบากอีก <c oughs> <c oughs> เราเคยเห็นอยู่นะอย่างพระประธานรูปเหมือนของพระพุทธเจ้าบางแห่งมีผ้าอังสัตี่เขาทอสมัยใหม่ทุกวันนี้เรียมละ ย, ยิบละ ย, ยับสีละยิีละยับยไปห้อยอยู่ข้างนอกไปใส่ไว้ข้างนอกเอ่อจึงได้บอกพระเจ้าพระสงฆ์ว่าสมัยทุกวันนี้มีแต่โยมสอนพระ ไปถามดูวางแห่งที่ทำถามพระบอกว่าใครให้ทำโยมเขามีจิบศรัทธานอทำถูกก็จะให้ญาติโยมทำทำผิดก็จะให้ญาติโยมทำถ้าไม่แนะไม่นำไม่บอกไม่กล่าวโยมก็ไม่รู้นี่ต้องบอกให้เหตุผล โลกองค์ทรงของพระพุทธเจ้าครบบริบูรณ์อย่างโลกองค์ทรงหลวงปู่บันตาดมีผ้าสังขาติแล้วก็ทดลองเอาผ้าอังสะไปใส่ลองดูจะเป็นยังไงลูกเหมือนของพระพุทธเจ้าก็มีหมดแล้วทรงระบงทรงกีวรมีสังขาติอีกแล้วเราเอาไปใส่เข้าอีกจะเป็นยังไงนะ นี่แหละคนเราไม่ยินดีกับของได้ไม่พอใจกับของมีรูปเหมือนของพระพุทธเจ้าองค์ทรงท่านบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วยังไปตกแต่งอีกตกแต่งตนเอ ง, เองแล้วยังไม่แล้วยังไปตกแต่งดัดแปลงรูปเหมือนของพระพุทธเจ้าอีกจะว่าอยังไง hmm. เกินพอดี hmm. นี่แหละที่ไม่เชื่อ พระบรมราโช ว, วาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงยินดีกับของได้จงพอใจกับของมีจงรู้คําว่าเพียงพอพอเพียงเพียงพอเนี่ได้มาจากนี้อยู่อย่างนี้ประดาประดาแบบนี้แล้วก็รู้จักเพียงพอนี่แหละ <c oughs> อยากที่สุดคืออยากได้จา่าโจมอยากให้จา่าโจมปฏิบัติ ในภาคปฏิบัติบูชาเพราะว่าอา m i ต h บูชามันเหลือเปลือวัดไหนๆก็เหลือเผือไปโม้จะทําอะไรก็ไม่จุง้งไม่ยากเอาแต่อา m i ต h บูชาขนแต่อา m i ต h บูชามาถวายพระทําให้พระเกิดที่เลสนั่นมีจะตุปัจจัยมากก็จุง้งมีบริวารมีบริขารมีเครื่อง สังฆทานเยอะๆก็ยุ่งอีกนั่นเพราะว่าที่เก็บไม่มีอย่างพระพุทธเจ้าไม่มีที่เก็บของนะแต่ทุกวันนี้ค่านิยมของคนเราไม่กันไม่กองไม่คิดอ่านใครควรพิจารณาถ้ามีสติปัญญาด้วยการทานก็ให้ทานเหมือนพระพุทธเจ้าบอก คาวาะญาติโยมพุทธบริษัทสมัยขั้งพระพุทธการลักเหตุผลก็มีอยู่ที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้ญาติโยม ถ, ถวายทานถวายสังฆทานสิ่งของที่ขั้งพระพุทธการถวายก็คือปัดใจนี่พระเจ้าขอถวายปัดใจสี่ อันสมควรแจ่สมณะบริโภคซึ่งมีราคาเท่านั่นเท่านี้หากพระคุณเจ้าต้องการสิ่งหนึ่งอันใดอันสมควรแจ่สมณะบริโภคพระคุณเจ้าจงเรียกร้องจากไวยะวัตกรได้ทุกเมื่อเถิดนี่เหมาะสมไหมนี่พิจารณาดูน ะ, ะเหมาะสมหมเพราะว่าปัจจัยเป็นแก้วสารพัดนึก พระภิกษุอาพาธเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยู่ที่นั่นกุฏิกุฏางศิพักภะอาศัยไม่มีก็อยู่ที่นั่นอาหารบิณฑบาตไม่มีก็อยู่ที่นั่นยารักษาโรคไม่มีก็อยู่ที่คำว่าปัจจัยจะทำอะไรก็อยู่ที่นั่นได้หมดมีปัญหาอะไรอันสมควรสำหรับพระสงฆ์ ที่นี่ส่วนมากไม่ได้กันกองเห็นไหมเทศการเข้าปัญหาขนดอกไม้ขนทูบเทียนบอกว่าไม่ต้องไปเอาดอกไม้มาก็เอาดอกไม้แห้งมาอย่างโน้นอย่างนี้นีนน่ถ้าพระไม่สอนก็ทําตา ม, ตามใจโยกก็เป็นภาระยุ่งยากวุ่นไปหมดนะเอาไปเททิ้งแต่ละวันแต่ละวันมิแต่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนั้นนะสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างทุกขี้นทุกอัน ถ้าหากไมมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มาไม่ได้ทําอะไรก็ทําไม่ได้อย่างอยู่ไกลๆจะมาที่นี่ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนั้นเอาน้ําโภชนะอาหารเยอะๆก็มีแต่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้ามีกิตติภัณฑ์เก่งๆ ก, ก็ให้ทําอย่างที่ว่าอย่าหาว่าพระเทศเอานะเออพูดสู่กันฟังก็บอกแล้วเมื่อกี้นี่ ว่าให้ทําในสิ่งที่มีเหตุมีผลส่วนมากําลงไปไม่มีเหตุมีผลไม่คํานึงถึงเหตุถึงผลมีแต่ทําตามๆกันมาโบราณพาทำมาวัดนั่นพาทำมาวัดนี่พาทำมาอ่า น, น <c oughs> ไม่ได้ ก, กันกันกองจะเอาวัดไหนวัดไหนก็สู้เอาวัดของพระพุทธเจ้าไม่ได้รักเหตุผลของพระพุทธเจ้ามีอยู่แล้วอ่า <c oughs> นี่ทำเกินพระพุทธเจ้าที่อยู่อาศัยก็ทำเกินพระพุทธเจ้าเครื่องโคกเครื่องฉันก็ทำเกินพระพุทธเจ้าอาหารนบินตบัดก็ทำเกินพระพุทธเจ้ามีต่เกินพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาไม่เดินตามทางของพระพุทธเจ้าผลสุดท้ายก็ไปไม่ถึงเหมือนพระพุทธเจ้านี่เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ดีใจด้วยสาหรับค า, า, ารวะเจ้าจมขนสิ่งขนของไปทับถมพระ อยากได้โจมอยากได้คนแต่อยากให้คนได้ปฏิบัติทาบุญหรือคำว่าภาวนาทำให้จิตมีความสุขนี่พิธีกรรมทางศาสนาไม่มากแต่คนชอบทำด้สิ่งที่ยุ่งยากนั่นเคยพูดถูฟังอยู่เสมอว่าภาษาอิสานบอกว่าคนเฮามักยาก ลูกเต้าปอมีสื่อหมามาเลี้ยงพระพุทธเจ้าพาธรมสบายสบายไม่ยอมทำพระพุทธเจ้าไปบินทบาตก็ได้พอฉันอิ่มก็เรีบกลับเพราะว่าไม่มีสถานที่สําหรับจ่าโจมจะไปส่งสิ่งส่งของจะไปถวายอาหารพระบินทบาตอีกพอฉันพอดีกลับด้วยพระองค์เองพระองค์เดียว แนะนำสั่งสอนออกพระสงฆ์สาวกให้ปฏิบัติอย่างนี้ออกนอกบ้านแล้วพยายามแยกย้ายไปตามอัธยาศัยนั่นไม่ต้องให้ไปเป็นหมู่เป็นพวกกันมันนำมาซึ่งความคุกคีธรรมะเราใดเป็นไปเพื่อความคุกคีนั่นไม่ใช่ทมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงอนุญาตพร ผ, ผันก็คือเวลาพระพุทธเจ้าได้ตัดทรูปแล้วช่วงระยะพระพุทธเจ้าได้ยังไม่ได้ตัดทรูปมิแต่เสด็จไปพระองค์เดียวเพื่อไม่มีอะไรมัดทำให้จิตใจขาดวัคขาดตอนในการพิจารณาธรรมะหรือไม่ให้ขาดวัคขาดตอนในการสู้รบกับกิเลส นี่พังเผอไม่ได้นะกิเลสจึงได้บอกจึงได้เตือนออกสนญาติโยมคำว่าทำบุญหรือนั่งสมาธิภาวนา <c oughs> พูดได้แต่มันทมไม่ได้เป็นของง่ายแต่ทำไม่ได้เพราะไม่เห็นด้วยตาเนื้อนี่บุญกุศลจะเห็นด้วยตาภายในคือธรรมจักสุ ตาเนื้อมองเห็นแต่สิ่งแต่ของเห็นคนมั่งคนมีเห็นคนร่ำคนรวยเห็นคนสวยคนงามเห็นสิ่งเห็นของเห็นข้าวเห็นน้ำโภชนาอาหารมีเแต่เห็นแบบเสริมกิเลสสาหรับตาเนื้อนี่เพราะฉะนั้นต้องอาศัยตาภายในคือธรรมจักรสุนี่ ตาภายในจะเห็นจากสว่างก็คือปัญญาที่พระพุทธเจ้าบอกว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนี่ศินสมาธิปัญญาทานศินภาวนาของญาติโยมช้าหน่อยมีทานจะก่อนเจะก่จึงมีศินแล้วก็จึงค่อยมีสมาธิสมาธิภาวนา นี่ภาวนาก็คือทําให้จิตติ้งทําให้จิตสงบสําหรับของพระสงฆ์ก็ทานศีล ส, <c oughs> ส, สมาธิปัญญาสําหรับพระสงฆ์ไม่มีทานศีนลฝึกขนดลมกายวาจาใจให้เรียบร้อยไม่ขาดตกบกพร่องในศีลสองรอยยี่สบเกตสมาธิก็คือความตั้งมั่งมั่นของจิตถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วก็เกิดปัญญานั่น ก็เกิดแสงสว่างรู้ละทีนี้รู้มรรครู่ผลรู้เห็นทุกข์รู่สุขรู้นรกเป็นยังไงรู้สวรรค์เป็นยังไงรู้พระนิพพานเป็นยังไงนี่จึงได้บอกว่าผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองทําไมหลวงพ่อจึงให้นั่งนิดหน่อยทําไมไม่พานั่งถึงสวรรค์ถึงพระนิพพานนี่ ถ้าหากพระพุทธเจ้าพานั่งใหถึงสวรรค์ใหถึงพระนิพพานก็จะพานั่งอยู่พระพุทธเจ้าได้ตัดรูพระอง์เดียวนั่นเมื่อเวลาได้ตัดรูแล้วก็ไม่เห็นมีพิธีสถานที่ใดที่พระพุทธเจ้านั่งได้ตัตรูเป็นโมและเหตุผลก็เป็นอย่างนั้นเพราะนั่งเป็นโม คนที่ไม่มีกิจศรัทธามันเอาใจไปชนกันผู้มีกิจศรัทธากดนั่งเท่าไหร่ก็ไม่ว่าผู้ไม่มีกิจศรัทธาเมื่ อ, อไหร่จะหยุดเมื่ อ, อไหร่จะหยุดน่ะมันคุกขีนะแต่ผู้ไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่เห็นคำว่าคุกขีมันเป็นยังไงกิจไปชนกันมันเป็นยังไงนี่จึงไม่มีหลัก และก็เหตุผลก็เป็นอย่างนั้นหลักของพระพุทธองค์ไม่มีนั่งเป็นหมู่เป็นกลุ่ม <c oughs> ต่างคนต่างสร้างความอดทนต่างคนต่างมีสติปัญญาศรัทธาความเพียนสู้รบกิเลสตัณหาด้วยกำลังสติปัญญาศรัทธาความเพียนของตนเองนั่นแนหะถ้าเกิดศรัทธาแล้วเราก็ประหารกิเลสได้ถ้าไม่เกิดศรัทธาแล้วบังคับไม่ทำก็เหมือน ค้อยว่าอยากกินหยาแสนสิคมก็เขาหักหมูว่าอยากกินห่ำแสนสิตรีก็ดังเวอร์นี่แหละผู้วสัมมักตั้งอกตั้งใจปฏิบัติจากพ้นทุกข์จริงจริงปิเพีได้เด้อนั่นมันก็ไปสรุปอยู่ที่ผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองนั่นแหละในพิธีพระสงฆ์พานั่งมันก็เป็นการบังคับลรืที่นี่ แต่ลุกไปก็ไม่ได้เสียมันเลยยากอยากจะออกไปอยากจะออกไปอยากจะหยุดอยากจะหยุดมันเจ็บมันปวดมันอะไรทรมานนั่นเห็นไหมเกียรติมันไปก่อกวนกันแล้วหลักเหตุผลจึงไม่มีการนั่งสมาธิเป็นหมู่สู้ด้วยกําลังสติปัญญาศรัทธาความเพียรของตนเองนั่นถ้าเป็นการบังคับก็เหมือนหินทับหญ้าเหมือนอย่างพูดจนแออนรออเขาก็อยากกินบังคับเหมเขาก็ ตีกับเขาหาคือซือมันบอกหิวห่อมก็ตีกับดังเบอร์ ซ, อซื้อนี่เพราจากนั่งสมาธิภาวนาที่สอนเท่าไรมันก็ไ่ได้ประโยชน์หรอกจะเกิดขึ้นได้เพราะมีกิตติธมีความเชื่อมั่นเพราะคำว่านั่งสมาธิภาวนาพูดง่ายแต่ทำยากเพราะมันเป็นเครื่องขัดขวงกิเลสการนั่งสมาธิภาวนาเครื่องขัดขวงกิเลส น, นะ มันจะเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปประหันจิเลห์ให้เอาเป็นเอาตายนี่มันจะยกมาสู้เราถึงกับตายนะนั่งนา น, น, านเจ็บตรงนี้ปวดตรงนี้โอ้ยมันจะเป็นจะตายมันจะเป็นจะตายแต่พูดแล้วถ้าหากไม่ปฏิบัติไปถึงก็ไม่รู้นะรสชาติของทุกขเวทนารสชาติของการปล่อยวางมันเป็นยังไง ก็จะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้สอนและก็หลักเหตุผลก็เป็นอย่างนั้นคําว่าผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองอยากให้เน้นหนักภาคปฏิบัติแล้วก็จะรู้จะเห็นเองนะพิธีกรรมไม่มากแต่ทาก็ได้ไม่ทําก็ได้ทําวัดแต่อย่างน้อยที่สุดกกล่าวคําอิมินากับระลึกถึงคุณของพระเจ้าอรหังสมมาสวาสุปฏิปโนแค่นี้ก็นั่งอยากให้เน้นหนัก ภาคนั่งมากๆากนี่แหละคาว่าให้ทาให้ทาเป็นทานมีอานิสงส์มากให้แล้วให้ทาก็เหมือนไม่ได้ให้ทาไม่ได้ฟังทมถ้าได้ฟังทมฟังแล้วไปลงมือทานั่นต้องเข้าใจคาว่าทมตัวนี้แหละบางคนไม่เข้าใจเข้าว่าเข้าใจว่า พระเจ้าประสงพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อมีทำเยอะเอาทํามาแ ก, ก่นั่นให้ทําก็คือให้ตั้งใจกระทาลงมือกระทาเอาตัวกระทาจุดเตอจุดเตจแหละเพราะฉะนั้นจึงขอฝากขอเตือนไว้พระเจ้าประสงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็มาบ่อยโดยเฉพาะผู้เป็นเจ้าของสถานเที่อ่า ในอาราธานานี่ยมนพระเจ้าพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ไหนมีเวล่ำเวลามาแนะนําสั่งสอนอย่างนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริเป็นมงคลนะที่นี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็อย่างที่เราได้เห็นได้ปฏิบัติมาการแนะนําสั่งสอนก็แตกต่างกันการไปประพฤติปฏิบัติก็แตกต่างกันบางท่านบางลูกเอารถเด็ดเผ็ดมันบางท่านบางลูกก็เอาตามอธัธยาศัยที่เลย คือเคยได้ยินประวัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางท่านบางรูปหลายหลายท่านหลายลายรูปบางท่านก็แนะนำให้ไม่ต้องไปนั่งสมาธิภาวนาให้มันเก็บแข้งเก็บขาใส่ติใส่ปัญญาพิกกรณาปล่อยวางไปเลยอย่างนี้ก็มีนะผู้มีติปัญญาศรัทธาคามเพียรมามากกอมากแล้วอาจจักนะอาจจักนะ <c oughs> ถ้าใช้สติปัญญาไปผันผพานได้เลยเออถ้าหากู่ยังไม่มีสติปัญญายัาง เ, ออเราเราธรรมดาต้องอาศัยความอดความทนมากๆานี่ อ, อ, อ, อปฏิบัติให้ดูให้รู้ให้เห็นให้สติปัญญามันไม่เห็นง่ายนะเ อ, อกลัวจะปัญญาจะเกิดกลัวจะมาสิถ้ามาสิถ้าเกิดกลัวปัญญาจะเกิดมันก็านานแต่คําว่าสู้ทุกขของเวทนานี้มันเห็นง่ายและผลเสียหายก็ไม่มี เพราะเรานั่งลงไปให้มันเห็นทุกข์นั่นบอกแล้วว่าคนใดเห็นทุกข์คนนั่นเห็นธรรมทีนี่เมื่อเวลาไปเจอทุกข์แล้วพ้นทุกข์มันเป็นยังไงที่นี่นี่เครื่องตัดสินนะอะใครก็ปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ทำทานปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์พอทุกข์จะเกิดก็หยุดก่อนแม่ เวลาเห็นทุกข์เราก็พยายามดูว่ามันจะไปพ้พนตรงไหนเอมันจะยกทุกข์มาถึงไหนยกทุกข์มาให้เราดูถึงกับตายถ้าปล่อยวางตายถ้าเห็นตายแล้วนั่นนั่นแหละจึงจะพ้นถ้าหากยังไม่ถึงคําว่าตายแล้วก็ยังไม่พ้นไม่ใช่ของจะตายได้ง่ายนะคนเรา ถ้าหากว่ามีเหตุจําเป็นเรไม่ถึงข่าวจริงๆไม่ตายง่ายๆพอทําไปนิดหน่อยพญามารก็จะตายจะเป็นจะตายเดี๋ยวจะเก็บแข้งเก็บขาเดี๋ยวจะเป็นอมภพอมภาสเดี๋ยวจะเป็นเนบชาอย่างน่อนอย่างนี้ <c oughs> มิตั้งแต่พญามารทั้งนั้น <c oughs> เป็นก็เป็นสินั่นถ้ามีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเราก็มีวิธีแก้กับกิเลสนะ เป็นก็เป็นที่ตายก็ตายที่เราเกิดมาตายอยู่ต่อไปก็จะตายอยู่เน่ยตายวันนี้ดีกว่าตายพรุ่งนี้ตายอยู่ในการมีศีลมีธรรมปฏิบัติศีลธรรมตายก็เป็นไงไปนั่นถ้าไม่สู้จุดนี้ก็แค่นั่นแหละทําวันไหนก็ไปถึงแค่นั้นโอ้ยเมื่อหน้าเมื่อหลังถึงต่ออีกเอ้ปีหน้าถึงต่อไปอีกโอ้ปีรุ่นถึงต่อไปอีกเมื่อนั่นมื่อนี้มีแต่เรื่องพยามาล ถ้าไม่กล้าหานเด็ดเดี่ยวก็ไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจึงได้เตือนบอกอยู่สมอๆเสมอพระพุทธเจ้าสอนคนถึงสวรรค์ถึงพันิพภานก็ถึงมีชีวิตอยู่เห็นสวรรค์เห็นพันิพภานก็เห็นที่มีชีวิตอยู่ไม่ใช่ตายแล้วจึงจะเห็นสวรรค์จึงจะไปพันิพภานขอให้ทุกท่านทุกคนจงคิดอ่านใครควรพิจารณาให้เน่นหนะักภาคปฏิบัติบูบชา ไม่มีพิธีอื่นมากหลักพระพุทธศาสนาคนไทยก็อย่างอื่นอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างกิงการอาบิปูชานี่แหละทำให้พระลำบากลำบนแต่ภาคปฏิบัติบูชาไม่ค่อยมีอยากใอยสนอกสนใจภาคปฏิบัติคำว่าไปวัดไปอะไรไปทำบุญแล้วภาคนทาบุญไหมนั่นส่วนมากมีแต่ไปลุกโพดขวนกัน มืจะไปตำหนิคนน่นเมืจะไปตำหนิคนนี้เมี่จะไปดูคนน่นเมืจะไปดูคนนี้ตนเองทำไมไม่ดูนี่วัฒนธรรมอันดีงามของพระพุทธเจ้าแต่คนเราก็ไม่รักษาเอาไว้คำว่าวัฒนธรรมชาวไทยชาวพุทธเข้าวัดเข้าวากาไปทำบุญไปทำบุญแต่พี่งแต่ไปวุ่นวายแต่เรื่องทำทานถ้าสนใจคำว่าทำบุญเข้าไปแล้วก็สิ่งของเราก็ได้ใส่บาตรเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องไปห่วงอะไรอีกแล้ว เข้าสมาธิเลยเวลาของเรามันน้อยกว่าจะได้มาวัดได้มาวัดกับทำให้ถูกต้องจะไม่ได้โกหกตนเองจะไม่ได้โกหกคนอื่นว่าไปทำบุญไปทำบุญนั่นคำว่าภาวานานี่แปลว่าทำบุญภาวานาก็คือทำให้จิตมีความสุขทำให้บุญเกิดนี่ถ้าเรานิ่งถ้าเราสงบก็เกิดได้บุญดูเราดูลมของเรา ถ้าไปดูคนทำอื่นไปดูคนอื่นให้เสียเวลาทําไมเข้าน้าโภชนาอาหารคนอื่นทานแทนกันไม่ได้เก็บไข้ได้ป่วยคนอื่นเก็บแทนกันไม่ได้ล้มหายตายจากคนอื่นตายแทนกันไม่ได้เป็นหน้าที่ของเราทําบุญทํากุศลเปนหน้าที่ของเราด้วยอํานาจบุญกุศลออกคนญาติโยมทั้งใกล้ทั้งไกลให้เสียสละมามันเป็น ทานบำเพ็ญบุญก็ดีด้วยอำนาจบุญกุศลส่วนนี้อำนาจบุญกุศลของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระแม่ลุงปู่ลุงพ่อได้ปฏิบัติมาก็จงมารวมกันเป็นบุญเป็นกุศลจงปกป้องปกงปกัปกรักษาออกคนยาจมโรกหลาในให้มีแต่ความสุขความเจริญสุข ก, กายสุขใจปัากาจากทุกโศกโรคภาาัยปาสนาสิ่งหนึ่งอันใดก็จงสําเร็จจงสําเร็จโดยเฉพาะในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ก็จงมีดวงตาดวงใจให้ได้เห็นสินเห็นธรรมในภพชาตินี้เถิด